พนไปเพราะไรเขามีคนเจ็บเป็นธรรมดาพนไปเพราะไรเขามคนตายเป็นธรรมดาพ้นไปเพรไรเจะควพักจากของหลักของฝ า, า, า, า, า, า, า, นะากอะไรเท่านั้นแ้มีคาเป็นของ้องตัวแล้วทาหนจะไปดีถ้าตัวจะได้ตัวเนพพุธศาสนาของข้า่ยเจ็บป่วยมากเลยหมาวันห้ยามากินทึกก็ถึกว่าถึกกระหาจะยาเท่านั้นบุะอือทึกถึก โอ้ยพอเพิ่มเนี่ยบอกแล้วข้นยังไงข้นเต็มเนี่ยที่แปลขันรถเต็มเนี่ยแล้วลอยคนน ข้าเจ้ากินข่าวใช้รือคนขายของทุมอยู่ว้าวเนาะมันใช้ศาสตร์เนาะเี็กปร้จวบจะว่าจะไงกันเนาะการเงียมาจดโดนแล้วแน่เขพุทธศาสตร์ชนะเ้าเฮานะผลมาเป็นไปงั้นเพราะว่าดีเวียนซัก ลูคานี่ยไม่เคยหาพบเจ็ดแปดแน่คนเดี่วเลยหลบเข้าใจกับป้านั่นหลบทุกกรดีเป็นเนียวกับป้านันหลบพูดแพร่กับป้านั่นสัญญาหันลหายไปพวกหายแต่ย่มตายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แบบพอพูดพนมันก็ไม่มีอะไรเลยพอพูดพลน์ เม่ออัน <y> มูอันเทามาเน AH ี่นี่ผู้อื่นบกแม่นีอันเทาเนี่ยเป็นทงนั้นเทามาเฮ็ดแล้วฮะหมู่นกเท้เฮ็ดแล้วนี่จะไปเชียผู้อื่นเ้าเฮ็ดแล้วมันเป็นังไงาว่าเนี่ยมาบันดีใจซื้อบ่อนนึงันยาวหลอกพ่ปานัน ทั้นมามกเมืรหกเสี้วบาทกปีแตสันมาสั้นมืสองเม็รไมละสามเสี้ยวบรุยูไปเปลี่ยนวิหน้าที่กับว่าไหนเรื่องดังนั้นเป็นอดีตอนาคตเรื่องขังพระเจ้าของเงากับอละมานพระใดขึ้นกันพระองค์เก่ายางงูบรนยัติข้าวบด อันบรรยัตเนี่ยอันผู้ทำเหตดกับผู้เหตุเยอะแยะนั่นแหละอันในผู้ไปพันิุ์พานกับผู้ําเ็จโชตาบัาน่นสัาข้ามี่นาค้ามเี่ก็บบกขาดระยะยุ่งเหยิงในคำพ่จองเขาก็ได้มีปัญหาสอดเขมาว่าคนทำลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ไม่มีจะใครจะทำลายพระพุทธศาสนาได้เขวาว่าเนี่ย พราะวพุทธเจ้าองค์ใดๆมาก็เป็นท้ำเหมือนเก่าเนี่ยเพราะนี้เกิดเกิดยุคโหลาดจเนาะหรือเกิดยุคยุคกรุงเทพกันไหพวกนนเนี่ยฮะโชลาดอืมเห็นยนี้เข้าใจเข้าใจโชลาดโชลัดโลาดธ า, านีแล้วมาด้แวะ ไมู่กเกตพังงาไม่ในแวะเลยเวลากลับก็ไม่ในแวะผ่านไปเฉยๆลงขึ้นรถขึ้นรถสี่โมงเช้าห้าโมงเช้าที่สถานีบางกอกน้อยพอดีสว่างเป็นวันใหม่ ก็ไปบินทบาทชุราชสมัยนั้นชุราชถูกทำลายสฟานถูกทำลายนายน้ามตาปีาไม่น้ามตาปี2 0 9 3พวกลูกหลานคงยังไม่เคยัเกิดนะ <c oughs> ถ้าไม่ได้เกิด <c oughs> อที่กรณีื่อเกิดขึ้นแล้ว สงไม่เรียบระ ง, งับสีจะทำให้เกิดนาน า, นาสังวาดนานานิ迦นี่ปัญหาสอดเข้ามาว่าคราวาสระงับอธิกรณ์ของพระได้หรือไม่ตามพระวไนระ ง, งับไม่ได้คราวาสถ้าตามทำไม่ได้จะทำโทษก่อนสงไม่ได้เป็นหน้าที่ของสงทำโทษเสียก่อน ทำโทษตามโทษสารุนโทษแล้วถ้าเป็นภาชิกขนงคณะชักาชขาเชกอนคณวาสจึงจะทำโทษได้ต่อไปไตามเอาไปในในโลกมันเป็นของทิพย์ทำดีก็เป็นของทิพย์ทำชั่วก็เป็นของทิพย์นะัทีิโรเกระหัวนรมะความรับไม่มีในโลก ค่ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันเราไปยิงนกเขาเอากล้องเป่าไปยิงแต่อายุทีวห้าปีพอมาถึงสองพันห้าร้อก็ระเบิดขึ้นนี่ระเบิดขึ้นที่ยิงนกเขาเนี่ยปวดเกือบไปโรงพยาบาลไม่ทันโรคหัวใจตีบเหงื่อออกโทคโทน ปวดขารดินโยกมมซ้าเราไปตอนโคช่วยเขาไปจับโคช่วยเขาตัวเดียวเท่านั้นแหละไปเยอะอยมันไอ้เคียไอ้เคโลมึงอย่าร้องเนอไอ้เคียวแต่มันร้องไอ้เคียวเขาจะมาแปลงเพศแปลงโฉมให้มึงให้มึงขายออกให้มึงอ้วนอ้วนมึงอย่าเคียว มาล่องปูกุ๊กุ๊กุ๊กุมาเก็บลูกกันธะมันแล้วไปพูดลอ่อมันเล่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสองมันก็มาแปลงลูกแปลงสมให้เราซะปีนั้นแนะ่ะปีล็อปูของแก้วนี่พันนะ่ะปีล็อกปูกของแก้วสิล็อกปานนะ่ะเออที่แรกก็ออกตอนนี่้แสงออกแสงออกแสงตะควาเนีอยู่มาอยู่มาใส่เข้มกัดหัวงู แสืทวงงมาแซงทั้งนี้มาออกทั้งนี้นี่ออกทางงสา ย, ยนะี่อันนี้หายแล้วเนี่ยขวานี่หายแล้วใส่เสืกว่าทวงเนเนี่ยเขาผ่าว่าอย่างนี้ นี่นี่โลกทุ่งน้ำดีเป็นเนี้ยมีบุพการะอะไรบ้างไปใส่เบ็ดปลาอะไรปลาอะไรเ ก, กินลงนี่เกินลงนี่โรคทุ่งน้าดีเนเนี้ยเกินลงต้องต้องได้แหวกเอาปลาปลาอะไรกินกินแบ็ดต้องได้แหวกเอาแหวกจากนี่ลงมานี้ยนี่ยเวลาไปตรวจโลกอันนี้เขเขาใช้าายางเข้ามาเนี่อ๋ออย่างน อั น, นเดียวก็ไกับอะไรขัาอะไรกินเม็ดนี่อายุสิบห้าปีไปจุดไฟป่าดักนกเขาเรียกวกั น, นกขาาปีเขียวเขียวน่องเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าบางวันก็ได้ตัวหนึงบางวันก็ได้สองตัววันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนพี่โรงเรียนสมัยราชการที่หก มันเข้าโรงเรียนกับวัดพระมันไม่มีศาลาพอต้องอาศัยหลงธรรมของพระต้องเลิกตามวันเจดค่ำแปดค่ำ14บสี่บห้าค่ำไม่ได้เลิกวันทิพเหมือนเราทุกวันนี้พวกนักเรียนมันนอกล้วไปจุดป่าจุดป่าโคกแล้วก็ดักนกที่ไหนเราจะเอาเครื่องดักนกใส่แล้วก็จุดออกซะก่อน เส้นี้มันไม่ออกไปฮะแล้วก็มองดูต้นไม้ต้นมันคงจะมาจับต้นนี้ต้นใหญ่โตต้องผินหน้ามาทางนี้บางวันก็วันหน้าตัวสองตัวสามสี่ก็มีบางวันก็ไม่ได้บางศีลบางวันพระพ อ, อมาถึงห่วทร า, ายไฟไหม้กุติเซตเลย ทำแต่อายุสิบห้าปีไฟไหม้พุฏธิซ็ตเลยนี่แต่จีวรคาตัวกำลังสันจังหันด้วยกำลังสันวินทบาดด้วยลมพัดมาตึงๆลมพัดมาตึงๆเดือนสีเดือนมีนาคมจนจน จ, นจนจนจะหมดจะเกียมปะเล็กๆเราตั้งไว้ทีนี้ กุฏินั่นมันกุฏิอยู่ท่าลมใกล้ทุ่งใกล้ทุ่งอยู่ด้านใกล้ทุ่งซัดมาทางทิศเหนือลมลมซัดมาตะเกียงก็ล่มลงลมลงก็ร่มลงก็หกออกเล่ก็ไม่กุฏิเ็ตเลยเพิบมข่าวเดียวกำลังสันอาหารยู่แเราก็นึกถึงบุพกรรมที่รป่า ลูก ป, ปู่มหาหัวเราลูก ป, ปู่มหาบัวหัวลราะเออบุญประการของพวกเราเนี่ยไม่เหมือนกันลูก ป, ปู่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันติดหลังอื่นแล้วจะมันห่างกันอยู่บ้านห้อยทรายสองพันสี่ร้อยสี่สิบหกไฟไม้กุฏิที่นี่ เรื่องทุนน้ำดีเนี่ยยังไม่อีกเนี่ยอายุเจ็ดแปดปีไก่ตัวหนึ่งขึ้นบนเรือนไก่ของเราเนั่นเองเราก็เอาข้าวเหนียวนะมาเสียบกระเบ็ดเบ็ดเบ็ดทันที่กล่องอย่างนี้ไปวางไว้าาชานของเราเจ้าว่า ไก่ของเรามากินตัวผู้ตัวหนึ่งมากินมากินมันเกลืนลงมานี่ก็ก็ก็กเกาะคอของมันเออมานาเห็นเขาไปนาหมดแล้วทําไมจึงทําอย่างนั้นเนอะลูกเอ๋ยอย่างแต่ว่าเขาพูดภาษาอีสานเราส่งให้ตรงนี้เข้าใจเฉยเฉยเขาไปนาหมดแล้วมานาก็มาเ ฉ, อเฉือนเฉือนเชือกมันก็ข้าวเชือกอย่างสวนของมัน ขนานี้ส่วนของมันไม่รู้ว่ากี่วันมันจึงตายเราก็ไม่ทราบมาันผลของกอร น, นั่นก็นำมาตามมาอีกมาอยู่กับหลวงปู่มันสีพรรษาเห็นขัง้งสัญญาบาตคู่อะไรดำๆหนอะนี่เราเห็นขู่มันเวลาใกล้ๆจะอิ่มแล้นะ่ะ มันก็เป็นเม็ดอะไรมันแตกกันออกไปแล้วทาเป็นคำไม่ได้แตออกแออกมาแล้วมือเ น, นี้ออขั่วๆัวอันอะไรดำๆแล้วก็ดึงออกมาทีนี้ดึงออกมาเนเป็นเบ็ดเบอร์ชจ็หกเลยถ้าลองไปเซ็ตเนี่ยังมาหันรองแล้วก็นกแขนไก่ตัวนั่นแหละแข้งเดียว อยู่มาอยู่มาออกจากงานมาก็ 4-5 สี่ห้าปีออกจากงานมาก็สี่ห้า 4, ปีสองพันห้ารอยเริ่มต้นมาเห็นอยู่ที่พูตะกอนฮัอบายขู่เงินมีเียนสามสี่องค์มีเีนินสองสามองค์แต่สมัยนั้นบางทีก็องค์เดียวบางที ก, งงทก็มีพระสี่ห้าสองสามองค์ ใช่ไหมล่ะเขาเข้ามาแต่ข้อมูไม่มีแล้วปล่อยให้หมูแต่งบาดใช่เวลาจะสันมกข่ออะไรเขาเอามาในที่นั่นสม่ไหมล่มันมีมกขขอไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีโรงครัวแบบแบบนี้ทุกวันจะมีโรงครัวถ้าไม่มีโรงครัวเขาไปไปบินทบาทไม่พอฉันทุกวันเพราะมันมากเราไปเห็นไม่กัด กัดกัดห่อนะก็กัดมกกัดห่อ่ะขนาดนี้แล้วไปรครูเน่นที่เนี่ครูว่าเนี่ยพระเน้นจะพวกนี้มันจะทําให้เราตายจะของตกเธอทําไมไม่มีเราถามโอบายครูมันมีแต่ของเราพวกผมก็ดูอยู่แครับมันไม่เห็นห่อนะเกือบเข้าหออีกเหมือนกั น, น, อ น, น, นสองปีอีกเขน อ, อีกเวียนข้ามา นึกทั้งไก่ตัวเนี่ยออันไซเบตนี่มันพูดทีหลังหรอกอันนี้เอามาพูดทีหลังแล้วนึกขึ้นได้ที่อันไหนเราก็มาพูดทีหลังแต่อันนี้เราเลืกได้ก่อนตอนสุดท้ายทั้งที่แปดทั้งที่เก้านะเป็นตะแกรงเหล็กที่ตะแกรงเหล็กมันมันมันอยู่กับโรงสีเขาเออเที่ยวลง พักนี่พักน nope ี่เลยตอนชุดท่ายกตะแคงเล็กอีกมันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีที่อยู่มันเ้าไปอยู่กับขนมปอนขนมปอนอันเป็นอหวานแต่ทุกวันนี้มาเห็นนที่เขาทานเลยขนมบางเขาทานเลยอนมบางขนมปอนหวานหวานแต่ทุกวันนี้มาเห็น ที่ออกไปเช่า ป, ปักข้าวที่ไแปดข้างข้าข้า ง, างผลของกรรมที่ใส่เบ็ดไก่กับใส่เบ็ดปลาไหลนี่เราเห็นชัดอันส่วนที่ความซี่กรรมที่ทำไม่ดีก็เห็นชัดในชาตินี้ กาไส่เลือดกํโรกหัวใจยิงนกเขากาสูงดำดีเป็นนิ้วไม่ผ่าไม่ตัดมันก็เห็นแล้วไงกาเป็นโรคภูมิแพ้ก็เห็นอีกขึ้นไปบนหลังควายอา้ยแก๊แปดปีหรือสิบสองสิบสามปี เชือกแข็งแข็งอะตีตหลังมันเขี่ยหลังมันเชือกแข็งแข็งขื่นอยู่บนหลังมันมันถูกฝนน้ำก็แข็งไปนี่ถูกฝนน้ำขี่เรื่องขี่เรื่องตามตามตามคันนาเชื่อขฟาดหลังมันแล้วมีอีกเนี่เอาลูกปลามาทำเหยื่อไปนี่ ปลาปลาดุกขนาดนี้แหละปลาดุกขนาดนี่แหะใสเบ็ดปลาข้าวตัวข้าแค่นี้แหละกวะดลังมันกวะดลังมันแล้วก็กหดลังมันทำคันแม่ไายขนาดนี้แหละทำคันแม่พายไม่ขี้หลอกหนึ่ง ไปถึงเสียบลงผูกติดกับต่อมัดติดกับต่อวงขนาดนด้มดชั่วชีวิตก็ได้ปลาข้าวตัวเดียวปรากุดปาอะไรได้เกาะหลังของมันมันก็วิ่งดิดๆๆๆๆๆ่ๆวิ่งวิ่นวิ่งว น, น, น, น, น่ว่งวิน่นวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ เดี๋ยวนี้เป็นโรคภุมแพทย์ที่หลังนี่คันอยู่เอาอะไรมาใส่ก็ไม่หายเวนีนเกาะหลังปลานะหลังปลารโรคหัวใจพูดแล้วหรือยังโรคหัวใจพูดแล้วหรือยังบุกพรกรรมยิ่ยงนกเขาพูดแล้วอพูดแล้วในทางดีก็เห็นสินี่น่นาทางส่วน เห็นในชาตินี่ในชาติก่อไม่ต้องพูดชาติก่อนไม่ต้องพูดแ ล, แล้วเราก็มองมาเร็นอีกวเคยนะทำเก้าอี้ให้องค์หลวงปู่มั่นนั่งโกนผมเราไปเราไปอยู่กับองค์ท่านหปันสี่ภาษาทั้งแร้งทั้งฝนอีกทด้วย พันษาที่ห้าไม่ได้จำพันษาที่ห้าและดูแลกพราท่านขอสิ้นลมตายนะครับเก็บศพไปสบามเดือนมันก็เป็นเดือนสามกุมภาพันข้างขึ้นในสมายเขาเพิงในเวลาที่อยู่กับท่านมีเตียงอันหนึ่งปุ๊บก๊กก๊กก๊กก๊สมัยนั้นมันไม่มีรถมีเรือมาเหล่าเดินด้วยเทีเท่าเลย หมายเลข 2,400 ก็10ต่อ 2,400 แถวที่9ก็ 10, 11, 12, 13ไม่มีรถจังวัดเจ้าพลนครวิ่งไปอุรานก็มีสองสามคันเหมือนคนขีเมอววิ่งไปมีสองคันสามคันถนนก็ขาขาดไงนิ้ที่นี่ไปห็นเห็นเนก้าอี้เก้าอี ก, ก เตียงขนาดนี้เราทําได้เนี่ยเราอยู่เขา ว, ว่าเราทําได้ขนาดนี้ถ้าดีกว่านี้เราทําไม่ได้เนี่ยขนาดนี้เราทำได้ชันจันมหาชันจันมหาขอให้องท่านกราบเรียนองค์หลวงปู่ให้ก็ผมจะทําเตียงให้องค์หลวงปู่ โกนผมถ้ากับผมมัทํามันก็ทับกับผมมันทับเพราะเหตุอดไเพราะกับผมเคยได้สร้างคาราวาส่วนครูาอาจารย์ไม่ได้เคยสร้างคาราวะมันไม่ทับเราพูดอย่างนี้ถ้าให้ถ้ากับผมจะไปกราบโูรท่านมันก็ข้าวกายท่านอาจารย์มหาเพราะท่านอาจารย์มหาเป็นเมืองขวาอยู่นี่ไปกราบเรียนองท่านให้กับผมบ้างกับผมก็จะตามไปด้วยเพาไปกราบเรี่ยน ท่านล่าท่านอยากจะทําเตียงเ อ, อทอําทเก้าอี้ถวายองค์หลวงปู่เพราให้เก้าเก้าอี้ยกไปโยกมาเป็นไม้ไผ่เก้าอี้ไม้ไผ่ยกไปโยกมาโยกไปโยกมา อ, อจะทําทําไมแลยวจะไม่มรบกวนบ้านเขาไม่รบกวนหรอก ท่านสอดไว้ตามได้ผลมันมีอยู่ไม่ที่จะกปติเอเอทําทําก็ทำสักถ้าอยากทำํำวดว่าตนนด้ทําให้ครูบาอาจารย์เอาทํากลางวัดให้มันอึกกระทึกถ้าเป็สศดซธรรมอะไรไม่ได้เนอะจะอาเข้าไปกลางป่าเนอะนะมาทําตามกฎอย่างนั้นหลวงปู่ว่า บอกว่าตันได้ทำเรามาทำขวางหมู่เขาละเอียดจนถึงขาหน่าหลวงปูวว่าทำเขาทำก็องหลวงปู่มาหาเขช่วยนะเวลาสิวเวลาเจอกเวลาเข้าเราเป็นผู้เข้าเราเป็นผู้สิวเราเป็นผู้เข้าเข้าม่ หลวงปู่มหากรพาพระปันนช่วยครั้งแรกๆก็เอาไปถวายยังใช้อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่ทีนี่อยู่มาก็จะทําเตียงอีกเฮาอบายทําเตียงเตียงกกแ๊กกกแคกอย่างนี้นะเราก็เลยเฮาอุบายให้งค์หลวงปู่มหาไปสับเรียนดิเราทำมนนาห น, นึ่งคณะนี้แหละทีนี้กว้างกว่านี้ เวลาจะทําอะไรให้รถปูมันจะทำกว้างเท่าใดอย่างนี้หลวงปู่มาหาสองถามก็องขาบเตรียมเราไป น, นั่งฟังนะ ว, ว่าขนาดไหนกว้างขนาดนั้นกว้างขนาดนี้สูงขนาดไหนสูงขนาดนั้นสูงขนาดนี้เราบอกว่าเราทํำเป็นจะไปทําเลยไม่ได้ต้องข่าเตรียมซะก่อนเพราะหูมันไม่ใช่ของง่ายพอทําแล้วก็หามาหามาน้ะ วกว่างเกินไปวกว่างเกินไปตัดออกตัดออกตัดออกตัดออกไงกว้างเกินไปตัดออกใช่พูดรล้ก็มองดูหน้าเราเอกไป้เรารู้จักใช่พอทั้งหลายพอมองดูผมอีกเราก็เวย อ, อยู่แล้วก็ไมวกว้างแค่ก็มากาบทูนแล้วเพระาะว่าท่านท่นนี้ทําไมจึงให้ตัดออกถ้าต่อสู้อย่างนั้นมันจะไม่ใช่เลยพ่าทรมานเราถ้ามัน มี่ศรัทธาจริงมันคงพอใจนี่ถัด จ, จับออกก่อนต่อห น, นังมันจะมาทิ้งขึ้นมาคืนมาให้่กว้างแคบกระชับแค่ก่อนขาบเยี่ยมแค่ก่อนทําไมถึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าต่อสู้แล้วจะไม่ใช่เลยนั่นลบปลูม่นขนาดนั้น little. พอรำมาเราทีนี้หามออกไปไปผาไปไปตัดออกตัดนี่ออกนี่ตัดนี่ออกตัดนี่ออกตัดนี่ออกตัดด่นานออกด้านเดียวตัดออกแค่นี้ก่อะ ที่แรกท่านบอกว่ากว้างสีส่ศอกสี่ศอก ข, ของท่านมันมันกว้างเกินไปเลยนี่หรือท่านจะลองเสีเด็ดเราก็ไม่ทราบแล้วตัดตออกแล้วก็วตัดออ ก, ก, าออกหามออกมาหามมาให้หมูหมูแบบนี้แล้วผมเสียดอาจารย์บอกของหัวเลาะดูจักไหมดูจักครับจะถูกแล้วไม่ถูกไม่ทราบท่านทรมานผมถ้ากว่าผมทําหน้าบูดบึง้งท่านก็คงม่ใช่ให้ถ้าผม พอใจผมก็ต้องตัดออกเพราะท่านทรมานผมจากหาว่าจะมีศรัทธาจริงไหมเออฟังเทศออกลูกหมูหมูก็หัวละหามาหามาที่นี่พูดห ย, อ, อ, กด อ, ย อ, อกเลยพูดหยอกมันพอดทาไม่ตายซะแต่ว่าฉันดีใจได้ป่นะนะให้ส <laughs> นไม่ตายซักดีใจมากสนไม่ตายท่านพูดหย อ, อกเลยลูกก็นิ่นงพูดหยอก หลวงปู่มั่นพูดจอกล้วไปพูดต่อเขาไหมเฮ้ยเหลือย่างไรนี่อยูมวายโยมาหลวงปู่มหาหลวงปู่มหา ม, หามาเยี่ยมมาแมลา้วย่ย ม, น ม, ม, าานมเนี่ยสองข้งมามื่อไรไปไปดูสระมองนี่มองนี่มองนีนมองนี่เออไม่ใหญ่โตเท่าไรไม่ใหญ่โตเท่าไร คงจมีผูฟ้ฟ้องคงจะว่าอิตาล่ามันสร้างศาลาใหญ่โตคงจะเป็นมีผูู้้องคงจะมีผูฟ้ฟ้องคงจะมาดุโอ้มาใหญ่โตมาใหญ่โตอันนี้นเกิดที่หลังทันงน่นตรงนี้มาก็มาเห็นออกจากศาลามาเห็นโอ้มามาเห็นมาละไรอันนี้เดี๋ยวจะเอาละรัฐถาวรีมาประชุมอยู่ที่นี่หรือเกรงว่าจะว่ายอย่างนั้น <laughs> ที่เราพูดก่อนเชอร์ลอยจะเป็นด้อยมากที่ตรงค์หลวงปู่พาทำกำันมาที่ให้หลวงปู่มั่นคงกับเป็นอ น, นุสงอั น, นั่นก็มาทราบคนหนึ่งเอามาแล้วพอคนหนึ่งก็เอามาไม่ได้บอกเขาหอกที่มาเห็นมาเห็นไฟฟ้าที่จะหาอุบายลุกลาเห็นมาเห็นไฟฟ้าเนี่ย เขาถามกับผมว่าค่าจะเอาไหมต้องปลูกแล้วผมก็ตอบเขาว่าเอาหรือไม่เอาค่าเป็นผู้ค่าห้างเงินไม่เป็นค่าไม่เป็นผู้ห้างเงินเอาหรือไม่เอาค่าเขาเป็นผู้ผม ม, ผมาเอานะเพราะวา่าผมต้องปูกมาอยู่นี่มันนานแล้วไม่ใช่มาอยู่สามวันเจ็ดวันกลางวันแสกแสกแสกก็จะตกเหีื่อตายอยู่แล้วจะไปทําเหมือน วัดนีนาบมันก็ไม่ถูกนะลุงปู่นะเขาพูดอย่างนี้พวกพัฒนาเขามาพูดเออเอาไม่เอาก็าถามพวกคนดูที่เพราะลองปู่หานั้นไม่เป็นออถ้าอย่างนั้นพวกเร า, ขอ เ, อาเขาเอาก็ทำเสอไม้ไัยมาข้างล่างเสาไม้ไผ่ นะครับคุณยมอรุณีมาเห็นคุณยมอรุณียกเอาวัดข้างไหนทางข้างบนข้างล่างเล ย, เ ล, ยเล่าให้หลวงปู่มาฟังหมดโทษไปเลยอเอาไวามาดุทีนี้คนสุดท้ายก็เลยพูดว่าเออสูงขนาดนี้ก็ยังมีผู้มาทำให้เลยพูดอย่างไหมันไปประหาแผลหาขอเขาเราคอยดูมันอยู่ ไม่ไปพูดก็เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้มาหาแผลหาขอไม่เรียกเรียอะไรอะไรเลยสองเจ้าสองขาวไม่มีไม่มีเราก็ไม่ทํมาเรามาอยู่นี่มันสามสิบเจปีแล้วเนี่ยสามสิบเจปีก็มีวัดเดียวท่านั้นจะหาว่าเรากาะเราสร้างเราก็ไม่ยอมว่าอย่างนั้นลบปู่ศีมันตั้งหลายวัดแล้วตัวศีมาเขาอยู <c> ่เ <oughs> เรามีวัดเดียวเท่านี้จะหาว่าเรากาะสร้างมันก็ไม่ถูกทีนี่ร่างคนเขาก็บอกว่า เขาใส่ชื่อเรืน้ำว่าโรงแรมแล้วก็แก้โรงแรมมันส่งใครมาเข้ามานอนข้างคืยงอย่างนี้เออเขาก็ไม่มาบ่อยหรอกผูกเขาทางไกลเขาก็นอนบ้างโรงแรมหลวงปู่นะทีนี้เราก็ตอบเขาว่าในใจโลกธาตุจะเป็นโรงแรมหมดนะแต่วันก็เป็นโรงแรมนรกก็เป็นโรงแรมเพราะฉะนั้น ผู้ที่มาอยู่ในโรงแรมออกจากโรงแรมแล้วก็คือพูาหลักานมาเกิดเกลียดตายอีกผู้ที่มาเกิดเกเลียดตายในวัดาสงสารเรียกว่ายังไม่พ้นจากโรงแรมนะคุณอย่างนี้เขาก็เลยอยู่เขาจะคาไปนี่ทีนี้ทําไมยังสร้างมากแค่บางครั้งเอออนาถาพินที่เกษตรถีนกระเป๋าเดียวสี่้ากอดแต่พวกเราสี่ส้ากอดมีไหมทุกวันนี่กระเป๋าเดียวสี่สิบ้ากอดไม่ได้เรียไม่ได้เลยแต่พวกเราเนี่ย สาธพัดขายพรเล็กพะ น, น้อยหลวงพุทาววิเศษือกั น, นแต่เราก็ในตาหดัดกพรเล็กพระ น, น้อยนาวิสานาวิสาขาก5 2ยี่สายี่สิบเ้าโกดกระเป๋าเดียวอนาถ้าพื้นที่เกษตรเกียก่กระเป๋าเดียวสีนน้าโกดสีส้าโกดจะมีกี่ร้านเอาสิบไปคูณดูหรูยีิบ้ายี่สิบสี่สี่ี่สิบสี่ส้า ้ห้าสิบล้านกระเป๋าเดียวแต่พวกเรากระเป๋าเดียวสี่ร้อห้าสิบล้านมันมีที่ไหนเรพูดอย่างนี้แล้วจะไปเก่าตัวข้างพุทธการม่ได้สร้างมันไม่ถูกเราพูดอย่างนี้นายวิสาขาเยี่ยยิ่เก้าโกดอักษิภคคุณเยี่ยเก้ารู้รู้เยี่ยยิ่เก้าเก้าสิบสิบสองยี่ยสิบเป็นเยี่ยิเก้าสองน่อยเก้าสิบล้านนางวิสาขาคนเดียว แต่พวกเราเนี่แผลๆเขอขอเนีย่ยอะไรกันจะตายแล้วพูดอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้แผ่และขอต่อกกันนี่ข <c oughs> ึ้นสันอีกันนัเข้าใจแนะวัตถุนิยมทำออกจะรู้ร้าตกเกีองใดก็ตามอพราะมาจากธาตุน้ำปล่อยลงวัตถุนิยมส่วนอุดมคติก็ออกมาจากธรรมะเพราพระธรรมาแล้วพระเจ้า น่าค่อยใจดีว่าทำคําสอนของพอมมระสมัยพระพุทธเจ้ามันเป็นมนุษย์สมบัติเจมภูมิมแล้วเป็นสวรรค์สมบัติเจมภูมิมแล้วเป็นพรมสมบัติเจมภูมิมแล้วเป็นนิพพานสมบัติจมภูมิแล้วมนุษย์สมบัติคืออะไรก็คือเว้นจากอมายมุกทุกประเภทคือมนุษย์สมบัติอมายมุกทุกประเภทคือเป็นมนุษย์ที่วัดแล้วถ้าเว้นก็เป็นมนุษย์สมบัติก็เป็นสวรรค์สมบัติก็เป็นพรสมบัติเป็นนิพพานสมบัติตัวนี้ตัว เรียว่าสัมมาอาชีวะเรียอชีวิตชอบถําคำสอนของพุทธศาสนาเราขบทําเป็นโรกบาลคุวมคองโลกสองอย่างพุทธศาสนายืนยันเขานัถ้าเป็นโลกบาลควบคองโลกสองอย่างนี่ความละอายต่อบาดโอตะปะจะตุ่งกลัวต่อบอดทำสองประการนี้มีแล้วยิงจะปกครองโรคได้ถ้าโลกมันมีทำสองประการนี้แล้วก็ปกครองกันได้อยู่ ใครเป็นผู้บัญญัติเราควรุณโทษถูกเพราะว่าพุทธศาสนาตอนนั้นบัรรดาบถูกพระพุทธเจ้าก็ไม่ไหนมาก็มายืนยันอันเดียวกันทำในรลกบาลคู่ของโลกสองอย่างถ้าหากว่ามียัางอาตาบายังคคสงกรานา์ตาบแล้วมันก็เป็นประลุงแล้วหมดเช่นห้าถ้าหากว่าชาวโลกทั้งหลายเกิดมามีอายุ ป, ประมาณเจสี่แปดปีมีเช้นห้าบอลลูนหมดแล้ว ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีซืบสวนก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าสงครามก็ไม่ต้องมีคดีดาคดีแด ง, ง, งในโรงพยาาลก็มีนี่ยการวางบทกฎหมายไม่มองดูความสอดรัพุทธศาสนานนะมันก็ไปไม่กอด ส, สมุทรทหารสามารถสวาคี่ยุทธ ก, ก็ตามเขามาสอนโลกเต็มภูมิแล้ว โลกวิภ <necessary. S 2> ูเป็นผูู้แกงโลกพุทคะจริยาสามทรงวัตถเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทรงวัตยาตถาจริยาทรงวัตเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติหรือโดยารเย็นพระญาติโลตถาจริยาทรงวัตเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกมีพุทธะริยาสามพอสำเร็จพระรหัมแล้วเป็นสมาธิพุทธเจ้าแล้วก็ทำพุทธะบริสพุทธะจริยาสามเต็มอง์ พระพุเจ้าทุกพระองค์มาเป็นที่พึ่งของโลกแล้วชาวโลกตังก้งโคตม้โคตหมูก่กตพักโคตรพวกไม่มองดูคําสอนพษษษุทธศาสนา์นี่นมันก็ไปไม่รอดเช่นพวกถือว่ามันมีบาปมีบุญมันไปรอดไม่มันก็ไปไม่รอดเพราะผลของกรรมอยู่ข้างหลังใครเป็นผู้ตัดสินถูกเพราะกรรมและผลของกรรมเท่านั้นเป็ผู้ตัดสินถูกไม่เข้าข้าง พยานไม่เข้าข้างโกรธไม่เข้าข้างกรรเลยไม่เข้าข้างพยานไม่เข้าข้างพูดตัดสินอีกเชียด้วยไม่เข้าข้างผู้พิจารณาคาดีอีกเชียด้วยเขาโมคะลาไปเห็นเปรตอยู่ที่ผู้เขาคิดจะกรูปเป็นมากสองปากพอไปเห็นแล้วก็ยิ้ยมถ้าพู้บรเจ้าเยี่ยมอะไรพระจะไปด้วยสี่ห้าองค์ พวกคุณไม่รู้อีหน่อินีิอะไรเดี๋ยวลงไปถึงพระบรมาสาราเราจะเล่าให้พวกคุณฟังพวกคุณก็ต้องฟังเถอะเราไ ม, ไม่ไม่มีพยานถ้าให้พวกคุณฟังแล้วเนี่ยก็มาเถียงกันเล่นเฉยๆเนี่ยไม่รู้อีโนอินิเนพอาอี ก, ก็ยิ้มอีกสามสีข้างยิ้มต่อจากนั้นมาพลงมาจากภูเขาพิษกูฎมากราบคุณพระบรมศาสดาที่เวฬุ ว, ว, วันสวนไม่ไหวเขาก็เจ้าพิมพสานถวาย พระขาดเท่ า, า, าองค์ข้ามเดินเข้าไลงมาดาวเทราเปลียดนี่ที่เป็นม้าสองปากมีเรืาา่อไม้พ้ะจะฆ่าก็เธอไปเห็นเมื่อกี้ลงมาเถียงกันตามทางมาเนี่ยเราเราได้ยินพวกเธออยู่เราสังเกตเธอเถียงกันเธอถามกันอยู่ข้างบนพราพวกเธอไปเห็นแล้วไม่ใช่หรือแล้วพวกทกจุเหล่านี้มาได้เห็นเธอเห็นคนเดียวเถียงกันอยู่ข้างบนว่ามาหาเราซะก่อน จะให้เราเป็นพระยามันก็มีสิมันเป็นวุฒกรรมอะไรพระเจ้าค่าแต่ชาติของมันเป็นผู้ตัดสินราคาก็เป็นกับโจทย์ราคากงง็เป็นกับจํำเยลยตายไปเป็นเป็นเปน็จบนรกออกจากนรกมาก็เป็นเปรตมากสองปากอยู่นี่นี่เปรตที่มีเสาฝังอยู่หัวน่ะ ไปตรงเตงตรงเตงร่องคางอยู่มันเป็นอะไรเขาจะพลาดแต่ถ้าตก่อนมันก็ไาถอนรักเขตแดนไร่แดนนาที่ดินเขาบางทีมันก็ชิ้นเอาบางทีมันก็ถอน้เฉยๆทีนี้ <c oughs> มันตายจากหน้านมันก็ไปตกนรกออกจากนรกก็มาเป็นเปรตมีหลักฝังอยู่ที่หัวไหวยตรงเตงตรงเตง <c oughs> เปรตที่มีมือยาว เข้าวไอซานมันเปนอะไรพระเจ้าค่ะมือลากขี้เห็นอยู่ร่องทางโอยโอย อ, อยู่พระเจ้าข้าแต่ะพะเจ้านี้มันเห็นก็เห็นคมเดืยวคณโน้ให้พูดไหมให้พูดไหมให้พูดไหมถ้าให้พูดี่จะพูดถ้าให้พูดก็จะไม่พูด ไม่พูดไหมอ้าถ้ า, างั้นกลรำเรียงพูดออกนอกกว่านั้นมันไปล่วงเกินมันไปล่วงเกินผู้หญิงในวัดแต่มันไม่ได้ทำหนักไปจนถึง ันถึงป่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำหนักไปจนถึงเมทุนทำดอกมันไป จ, ากกาจับร่างกายเขาที่เข้าหัวจับร่างกายเขาร่างกายในส่วนบนไม่ใช่ส่วนล่างมันตายแล้วมันก็ไปตกนรกออกจากนารกมามามือมันก็ยาว เป็นเตมือเราลากดินอยู่ไปไ่อยมาลากไปร่องคางอโอยอยู่เย็บลงก็ไม่ได้เหย็ยบลงก็ลาดดินเข้าไปตานนี่นิพรกรรมของมันยังมีอีกหลายอะ่างเอาเท่านั้นพอเหตุนั้นเราจรึงเชื่อ ก, กรรมและผลของกรรมเห็นทั้งนิทานของพระบรมศาสนาด้วยเห็นท้งชาตินี้ที่เราทําทําดีมันก็เห็นเราทำชั่วมันก็ เดี๋ยวไหนทราบเรากอบอุจจระหลวงปู่มัน่นเรากอบอุจจระเรากอบอุจจระหนึ่งหลวงปู่มันม่นหลวงปู่มหาเราก็ได้กรอบขั้งหนึ่งสามข้นมหาปิน่นขั้นิโต้เราได้เก็บอุจจระของพระมากประมาณในพระพุทธศาสนาเนี่ย องหนึ่งพากันไปกรุงเทพที่นี่ได้ประกอบอุจระองหนึ่ง อ, ง อ, งองีกเหมือนกันฉีกเนี้หนึ่งเขาวา่าอไย่างน้อยอันภาษาไทยนี่เอ๊ะได้วก็ท่องร่วงอ๋อท่องร่วงช่องร่วงดาดาดอยู่เลยแล้วก็เอามือกอบอบอกอบอกออกตอนกลางคืนเกรงว่าผ่านักเรียนจะเห็นพระองค์ ปวดช่องลวงนี่นี่ดูดูนี่เขาทํำสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยอันนี้อันนี้อันหนึ่งของทิงขห้โง่แล้วนี่อันหนึ่งอีกนี่อยู่นี่นี่อันหนึ่งอีกสาดให้หมูแล้วอันหนึ่งอีกอยู่ข้างล่างนั่นคนคนเดียวนั่นคนคนเดียวอันนี้สศกขอบอุตระเห็นกับทาตุเลยทีนี่สองพันห้าร้อยสิมันปวดมันป่วยอ ถ่ายไม่ออกถายไม่ออกฉันยาถายก็ไม่ออกชวนก็ไม่ออกพระก็ไม่ได้มีถุงยางไม่ได้มีถุงยางพ้าก็เอาเมือทาสะบู่แล้วก็หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปตะวันหนักเราเกาะออกมาก็ออกมาก็ออกม า, กออกมาเหนียวมันยางมาตุม ที่แรก็ข็งเหมือนที่กระต่ายที่แออกจากที่กระต่ายแล้วก็เหนียวมันยางมานตูมใช่ไหมอันนี้สงอันนี้เราเราเร า, เราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเชื่อกำแล้วผลของกำ ร, ร้อยเปอร์เซ็นเลยที่ปลารอบอย่างนี้เพื่อให้ลูกหลงแลหลานเชื่อกำแล้วผลของกำสิ่งไหนที่ไปดีเราอย่าทำนี่ จงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีตามสติกำลังของตนอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วจงเป็นผู้มีอิทธิพลในทางทำดีตามสติของกำลังของตนอย่าเป็นผู้มีอิทธิพลในทางทำชั่วจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีตามสติกำลังของตนอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่ว สร้ามิตรกำลังของตนก็มีความหมายกันไเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีเถิด อ, อย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วเลยเราก็เหมือนกันท่านผู้อื่นก็เหมือนกันจงเป็นผู้เอาความดีออกมาอวดกันเถิด อ, อย่าเป็นผู้เอาความชั่วออกมาอวดกันเลยเราก็ดีท่านผู้อื่นก็ดีถูกไหม กำไรใครก่อก็เราเป็นผู้ทําขึ้นคือถ้าเชื่อกรรมและผลของกรำรก็คือเชื่อพระพุประธประสงค์ใช่หรือไม่ทีนี้นนเรื่องอมารอเรื่องพระพยอมเอากคำอยู่เดี๋ยวนี่ผมบอกว่าเออเอใครแพร้ใครชนะก็เพใาะผลของกำนั้นเถิดเราพูดอย่างนี้ใครแพร้ใครชนะก็เพราะผลของกรำนั้นเถิดเราพูดอย่างนี้ ทีนี้เราเข้าใจอย่างนี้ภูมิขอเพิ่งบอกว่าโซดาบันในอย่างไรบ้างแล้วบอกว่าภูมิเขาเป็นโซดาบันนั้นเราตอบอย่างนี้หนึ่งไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นสองไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกับันสามไม่เสียดายอยากจะถือเหลิกดียามดีสี่ไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดสินห้ า, หาไม่เสียดายอยากค่าขายเคส่งฝาก ค่าขายมนุษย์ค่าขายจากจนในเรื่อสัตเทศตัวฆ่าพวกเบญหาค่าขารนมค่าขาย่าพิษหกไม่ใช่ได้ยะกระจองเวรท่านผู้ใดโปรดอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรถ้าเคยแล้วทำผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนก็ให้เล่ากันไปสักถ้าเข้ามาก่อใหม่ก็ให้เล่ากันไสักข้าพระเจ้าจะไม่จองเวรกับท่านผู้ใดมีอยูกพ่อเป็ตัวเรางพ่อสาคัญสำคัญราง ถ้าไม่ยังถ้าเสียดายอยากลงละเมิดชิ้นห้าถ้าเสียดายอยากจะถือสาธาราอื่นถ้าเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงประมาณนี้ถือดีดียามดีหรือค้าขายอันไม่ชอบทำก็ไม่ใช่พระโสดาบันจะเดินจงกรมภาวนาอดอาหารจักเพียงไหนก็ตามจะทําท่าทำทางแข่งคัดจับเพียงไหนก็ตามก็ไม่ใช่พระโสดาบันเราพูดอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากลงละเมิดชิ้นห้าอ้าถ้าชาวโลกไม่เสียดายอยากลงละเมิดชิ brasile, น like this, kind of ้นห hey, ้า <entreprises> เรื่องจำ้็ไม่ต้องมีถ้าหาตำรวจก็ไม่ต้องมโรคเอฟก็ไม่ต้องมีทีนี้ออกจากนี่เราจะไปไหน อ, ออกจากนี้จะไปไหนที่ไปแคออกทงนี้รถที่ไ้ออก